แน่วสมวิธีข้อเจ็สองข้อที่ยี่สิบนะครับที่สู่รูปใดรู้อยู่เทเองก็ดีให้พื้นเทก็ดีซึ่งหญ้าหรือดินลงในน้ำที่มีสัตว์มีชีวิตอยู่ซึ่งจะเป็นเหตุให้น้ำขุ่นหรือแห้งไปทำให้สัตว์ตายต้องอาบัดปาจิตตี อีกในหนึ่งพิสูรรูปใจรู้อยู่รถเองก็ดีให้ผู้อื่นรถก็ดีซึ่งนําที่มีตัวสัตว์ลงบนหญ้าก็ดีบนดินก็ดีต้องอาบัตปาจิตติครับสองที่ชื่อว่าภูตตดคามาวัคโตกนะครับนจริงนาะสิคามนน้ไปได้สองในครับในแรกขึ้นไปว่าใช่ไหม รู้อยู่เทเองก็ดีเพือ่อนเทก็ดีในล่านี้หมายถึงเทยญ้าหรือดินนะครับเทหญ้าหรือดินลงในน้ําที่มีสัตว์มีชีวิตอยู่นะหมายเอาแอ่งน้ําเล็กๆนะครับแอ่งน้ํำเล็กๆที่มีสัตว์มีชีวิตอยู่เนี่ยนะถ้าเทหญ้าที่ดินไปแล้วเนยะจะเปเห็นได้น้ําขุนขุนข้นแล้วก็สัตว์จะตายหรือเป็นให้น้ํามันแห้งไปเลยนะครับเพราะน้ําแอ่งน้ําน้อยอยู่ได้ใช่ไหม เอาดีนเอาหญ้าอะไรเทไปมันจะขุ่นข้นหรือว่าแห้งไปเลยเนี่ยสัตวที่อยู่ในนั้นก็จะตายนะครับหมายอย่างนี้นะอันนี้ต้องบัดปาริตีนะครับแล้วตรงนี้น่ะคนที่เทลเงไปที่นาศิขาหมือนเนี่ยนะไม่ได้มีเจรนาจะฆ่าสัตวนะครับไม่ได้มีเจริญจะฆ่าสัตวถึงแม้ใจรู้อยู่ว่าเทลงไปแล้วสัตจะตายนะแต่ไม่ได้มีเจรนาจะฆ่าเจนิญแต่ว่านะครับจะเท ดินนะหรือว่าหญ้าลงไปเฉยนะครับอันนี้นอีกในหนึ่งเนี่ยอันนี้เข้าใจง่ายกว่านะพิสูจน์ไดรู้อยู่รถเองก็ดีพูดรถก็ดีซึ่งน้ําที่มีตัวสัตว์ใช่ไหมน้ำที่มีตัวสัตว์อั น, นเป็นลูกน้ํานี่นะครับพวกลูกน้ําหรือว่าสัตว์เล็กเล็กเรบางอย่างมันต้องอยู่ในน้ําเท่านั้นนะถ้าเราเทออกไปนะครับไปร่อนหญ้หรือว่าร่นดินเนี่ยมันจะตายเพราะไม่ได้เป็นน้ำใช่ไหมครับนั่นนะ อันนี้รู้ทั้งรู้ด้วยนะว่าในน้ำมันมีตัวสัตว์ถ้าเราไม่รู้นะครับก็ไม่ต้องบัดคนี้นะรู้ทั้งรู้นะครับค mm ือ hmm. แ ม, ม้รู้ว่าถ้าเทไปแล้วสัตว์จะตายรู้อยู่ดีนะครับแต่เจรนาั้นไม่ต้องการให้สัตว์ตายต้องกาวน้ําที่มีตัวสัตว์มีลุ่มน้ําเป็นต้นนะไปรดหญ้าลดดินหรือลดรากต้นไม้อย่างนี้นะอันนี้นต้องบัดปลายจิตตีนะครับแต่ถ้ามีเจรนาจะให้สัตว์ตายต้องการสัตว์ที่อยู่นี้ตายไปเลยอันนี้จะต้องบัดไปยอีกจีตีเหมือกัน แต่จะต้องอีกข้อนึงข้อไอ้ข้อฆ่าสว์นะครับข้อทราบสัจธรรมที่มันจะเจอข้างหน้านี้นครับนี่ผมถามว่ามันเป็นไปได้ไหมถ้าว่าเรารู้ทั้งรู้ว่าในขันใบเนี่ยมันมีลูกน้ํามีน้ําอยู่ใช่ไหมครับเรารู้ทั้งรู้ว่าถ้าเราเทไปเนี่ยไอ้ลูกน้ํามันต้องตายแน่แต่เราไม่มีเจตนาจะให้มันตายเป็นไปได้ไหมครับ ให้ผมไปได้ถามไปไม่ได้ผมให้อันนั้นติดกะเขาแล้วกันหนึ่งไปไม่ได้สองไป <c oughs> <c oughs> ไม่ได้สามก็ <c oughs> ได้ก็มีไม่ได้ก็มี <c oughs> หมายเขาว่าอย่างนี่นะคำถานคือรู้ต้องรู้ว่าเราเทน้ำไปรอบหญ้รอบดินเนี่ยสัมมันจะตายแน่นอนแต่เราบอกว่าเราไม่ได้มีเจตนาจะให้ตายเนี่ยความรู้สึกที่ว่าไม่ต้องการจะให้มันตายเนี่ย มันเป็นไม่ได้ไหมเป็ไม่ได้ครับเขาเปไได้สาลูกนะมอนใจมันเป็นไม่ได้เขาวามันมีวิามันสั่งมาอือครับเราลุยเราลุยมีแกนใจไหีแใจอือครับยกไปทนงเงื่อนทลูกขึ้นหน้าครับอันนี้ไม่ขึ้นในมันลูกหน้าเนี่ยนะตวี่พูดแล้วครับอันนี้ได้ครับได้จิตนี้มีได้นะ ถ้ารู้ทั้งรู้ว่ามันจะตายแต่เจอน า, าเราไม่อง ก, การให้ตายน่ะเจอนาจะไปลดยากลบดินเฉยถ้าเรายกตัวอย่างเหมือนกนันอะไรเหมือนกับพิสูรรู้ทั้งรู้อยู่ว่าถ้าเราจุดประทีปตอนกลงคืนที่ไหมครับเป็นพวกเทียพวกโค้งนะสมัยก่อนไม่ไดมีไฟฟ้าใช่ไหมครับเมลังมันจะบินเข้ามาตายแน่แต่เราก็รู้ทั้งรู้นะว่าต้องเป็นอย่างเนี้ยแมงม้ามีข้าของฝ่ายใช่ไหมแต่เจอน า, าเราไม่ต้องไม่ต้องการฆ่าสัตว์เจอนาฆ่าไม่มี ต้องการจุดบุญที่นิบูชาเจดียเฉยๆอย่างนี้นะครับแต่มันจะตายแล้วก็รู้แต่เราไม่เจตนานะอันนี้ก็ได้นะครับนะเพรา ะ, ะนั้นถึงจะรู้ว่าสัตว์ตายอะไรเงั้ยแต่ใจไม่มีที่จะข้าไม่มีปานาติบาะครับมีได้นะครแต่ว่าใจที่จะฆ่าก็มีได้มีได้ทั้งสองแบบนะใจที่ชี้จะฆ่าก็มีที่ไม่คิดจะฆ่าก็มีมมครับถ้าในสิกขานี้มัยถือว่า ต้องการจะเอาไปรถอนหญ้าร่อนินด้วยกรณี้กีอย่างอื่นนะที่ไม่ต้องการจะให้สับตายไม่ต้องการฆ่าสัตว์นะครับอนี้ก็เลยไปไปตีสิขาบนนี้ถ้าต้องการฆ่ามันตายมันก็จะเป็นกรรมนะเป็นคุณสมนัตกรรมปรนานจุบาทด้วยเป็นไปตีด้วยนะครับเพราะมันอยากเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์นะโอเราจะรู้เลยว่าเป็นยังไงนะพูดใหฟังนิดหนึ่งนะเรื่องเกี่ยวกับต้มแหมงการฆ่าสัตวนะ์ ค่าสัตว์จจัดไม่ได้ฆ่ามนุษย์นะครับเกี่ยวเท่าท้ายีแหละมีนกกามานะครับโอ้ยร้องเสียง เ, เจียวแจ้วนะแกไม่ชอบนกกานะครับมันร้องเสียงดังแกก็ราธนูยิงเลยนะแกเป็นคนที่ยิงธนูแม่นมากเพราะว่าเป็นอาจารย์สนะครับการยิงธนูน่ะไม่ธรรมดาก็เลยยิงแม่นนะครับพอยิงอกกาก็ตายยังไม่โดนยิงตายนะครับแกก็จะตัดหัวประจานเลยนะครับ ตันหัวมาเสียบประจานเรียงมันเป็นแถวไปเลยเนะ่ะโอ้เอาทางอย่างนี้นะนนกกนเลยนะครับมีแต่หัวมันนกกาเต้มอะไรครับเป็นแถวไปเลยพือส่วนอืมาเห็นึก็าถามเนะี่ยว่าอะไรนะของใครเนะียท่านก็เลยบอกให้ฟังเนี่ยท่านไปยิงมันตานแล้วก็มันเสียบหัวประจานชอบทางยางนีนะเป็นได้ขนาดนั้นเลครับไม่คิดเกิ ต่อไปนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของพิสูจน์ชาวรัสอาลารีผู้ชอบก่อสร้างนะโดยสมัยนั้นพิมพ์พระพุทธเจ้าประทําอยู่ณอาคารวัชเจดีแขรัตอาลารีครั้งนั้นผู้พิสูจน์ชาวรัสอาลารีกระทํานว่ากอากำลังกระทํานวักกรรมรู้อยู่ว่า น, นะมีตัวสัตว์สิงรดเองบ้างให้คุนรดบ้างซึ่งหญ้าบ้างดินบ้าง บรดาพิสุที่ผู้มั่งน้อยสนดต่างก็แก่งตอนเต็มเต็มปณนาว่าฉะนั้นพวกวิสุชาระอารวีรู้อยู่บ้านน้ำมีตัวสัตว์จึงได้รถเองบ้างให้ขืนรดบ้านซึ่งหญ้าบ้างดินบ้างเล่าและะ้วกระพุณเนื้อความมีมันางกล้าพระองคก็ประชุมสงส่งสอบถามสงเตียมแล้วก็มีสถานบนนี้ขึ้นมานครทีนี้เรามาดูคอาที่มานในกางขาหนึ่งคุณนึกว่ายากไจบแล้วก็ถามปัญหาหน่อยนะ หน้าร้อยเจ็ดิบแปดนะครับมันมีตั้งสองร้อแปดสิบแปดหน้าเนี่ยมยัง <c> ไ <oughs> ม่มถึงครึ่งเลยนะต่อไปนะครับเออข้อที่สิบนะคังขาร้อยเจ็ดสิบแปดข้อที่สิบอธิบายสับปะรดกากสีขาบทคือส้ออธิบายสีขาบทที่สิบต่อไปสองคงว่าชานละสับปากังได้แก่ รู้อยู่ด้วยอาการอย่างใดอย่างหนึ่งว่าน้ํานี้มีตัวแสดงแรกอยู่นะครับรู้ยังไงก็แล้วแต่เราจะรู้เห็นเองใช่ไหมหรือคนมาบอกก็แล้วแต่นะครับว่าน้ํานี่มีสัตว์มีชีวิตอยู่นะนทางรู้ทางรูง้นะสองคำว่าสินใจว่ า, ส, วาสินใจไปว่ารถเองก็ดีใช่รถก็ดีนะคำนี้นะความว่าที่สุจะเอาน้ํานั้นรถเองก็ดีสั่งคนอื่นให้รถก็ดี เมื่อรถไม่สายน้ํานั้นขาดเป็นอาบัตตัวเดียวพ่อนะ้ําในหม้อเดียวเราก็รถทีเดียวไม่สายน้ําขาดเลยนะหรือเนี่ยรถใช้ศาสตร์กันเลยนะครับทีเดียวอันนี้ก็ต้องอบัตตัวเดียวนะครับเมื่อวิสุทธรถทํำให้สายน้ําขาดเป็นอาบัตห้ายตัวตามจํานวนที่รถให้ขาดไป็นช่วงนะครับรถจต่นันทีแค่ไม่กี่นาทีแค่สายน้ําขาด อพิสูจน์ทำเหมืองให้หันไปทาง น, น้ำถึงน้ำจะไหลทั้งวันก็ตามนะครับเหมืองเข้าต้องไถมาจากอะไรไถมาจากหนองหรือว่าแม่น้ำนะครับอันนี้ไม่ได้หมายถึงแม่น้ำใหญ่นะมันจะเป็นแอ่งแม่แอกนี่แหละครับซึ่งมันมีสันแอกแอกอยู่นะถ้าเขาไปทำเหมืองไปทำร่องออกมานะครับทำทางระบายนะ้ำะแล้วก็ทำเหมืองออกมาให้น้ำมันไหลมาจากแอ่งน้วนนะครับ ถึงแม้ว่าน้ําจะไหลออกทั้งวันก็ตามนะแต่มันก็ไหลเรื่อยใช่ไหมน้ำไม่ได้มีการขาดช่วงนะครับต้อแบบตัวเดียวเหมือนกัถ้าไปสุกั้นในที่นั้นๆแล้วไขน้ําไปทางอื่นเป็นน้าบัดทุกกฎทุกทุ ก, ท ก, ทกประโยชน์นะครับน้ําที่เราไขามาจากแอ่งนะหรือว่าสาระนั้นเข้มมามาไหลมาตอนแรกไหลตรงใช่ไหมแล้วก็ไปกั้นเหมือนให้มันไหลไปทางอื่นบ้างนะครับนี่ก็เป็นน้าบัดหลายตัวนะ ตามจำนวนหนึ่งททุกประโยชน์ทุกความพยายามที่ทํานะครับอันนี้พูดถึงหญ้าอันที่หนึ่งแล้วน้ํามีตัวสัตว์ต่อไปในะอีกนาหนึ่งนะที่บอกว่าเมื่อกี้ไม่ได้เข้ามากันนะครับรู้เอาหญ้าหรือว่าดินนะครับเทลงไปในน้าที่มีตัวสัตว์ซึ่งจะทำให้สัตว์ที่อยู่ในน้ำต้องตายเนะี่ยทำให้น้ำขุ่นข้นหรือว่าแห้งไปสัตว์ที่อยู่นั้นก็จะตายนะครับเอาหญ้าหรือม่าดินเทไปนะั้น แม่หญ้าใบไม้กิ่งไม้เป็นต้นพิสุโยลงในนะ้ำทีเดียวหมดต้องบัดตัวเดียวนะครับอารมดํดาวน์มาเลยทีเดียวไม่คองนะครับอันนี้ก็ตั้งบัดตัวเดียวนะตั้งบัดตัวเดียวนะครับทิ้งลงไปทีละชิ้นทีละชิ้นนะดินก็ทีละก้อนทีละก้อนหญ้าไมา้ทีละชิ้นทีละชิ้นนะตั้งบัดหลายตัวตามจํานหนึ่ครั้งที่ทิ้งนะครับ และน้ําใดเมื่อทิ้งหญ้าและเป็นต้นลงไปอย่างนี้ก็จะถึงความเหือดแห้งไปหรือเป็นน้ําขุนอันจะเป็นเหตุให้สัตว์จํำพวกสันตว์เล็กๆตายไปบริพึงท ร, ราบว่าเมื่อพาะเจ้าตัดหมายถึงน้ําเช่นนั้นไม่ได้ทรงหมายถึงน้ําใหญ่น้ําใหญ่ๆนะครับเช่นน้ําในแม่น้นะําเป็นต้นถ้าน้ํำใหญ่ๆผมก็ไม่เต็มสัตว์ก็ไม่ตายใช่ไหมมันก็หนีทางอีกนได้ เราแบบแอ่นะ้ำน้อยนี่นครับในการสั่งให้คนอื่นรอดต้อบัตทุกกดพ่อสั่งสั่งบัตทุกกดก่อนสั่งครั้งเดียวผู้รอดรอดหลายครั้งผู้สั่งต้อบัตรปาจิตตีตัวเดียวเท่านั้นครับเพราะเราสั่งคนเดียวต้อไปตีตัวเดียวนะเหตุการณ์ประเภทอาบัต น, นะครับสิขาบทนี้พุณพระเจ้าทรงปาราบพิสุชาวมืองอารวีในเมืองอารวีทรงบัญญัติได้แล้ว ข้ เ, เหตุคือการรดน้ําที่มีตัวสัตว์อยู่เป็นสาธารณะบัญญัติพิสุนีก็มีนะครับสานติกะใช้ก็เป็นเราเองก็ดีใช้เราก็ดีใช่ไหมน้ําไม่มีตัวสัตว์นะครับเข้าใจว่ามีตัวสัตว์ออันนี้ก็โดนนะครับทุกกฎหรือนะครับน้ําจะมีตัวสัตว์ก็ตามไม่มีก็ตามเกิดความสงสัยสงสัยยี่ต้องบัตรทุกกฎนะโดนตลอดเลยอาบัต น, นะครับพิสุทไม่ต้องอาบัตเมื่อ น้ไม่มีตัวสัตว์เข้าใจว่าไม่มีตัวสัตว์ไม่ต้องอาบัดไม่ได้แกล้งรถนะครับหรือไม่มีสติแล้วเมื่ได้แกล้งรดยังไงเราถือขันไปใช่ไหมยะเอามันปล่อยในแองแงนะครับทางขันมันเกันหกนะครับไม่เจตนานะลื่นล้มนะำหกไปเลยไม่เจตนาไม่เบนนะครับไม่แกล้งก็เหมือนไม่มีเจตนาไม่มีสตินะครับกะว่าจะเอามันไปใส่ในแองแงใช่ไหม คนอื่นเจอคนอื่นคุยไปคุยมานะครับพอ mm hmm. สติลอดน้ำเทมาเลยนะถ้ามีตัวสัรวนะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรยพปสติไม่รู้ว่าน้ํามีตัวสัตว์นี้ก็ไม่ต้องอาบัตถ้ามันม่รู้จริงๆนะเขาจะว่ามันมีตัวสัตว์เทไปเนี่ยก็ไม่เป็นนะครับและวิสุบ้างเป็นต้นก็ไม่ต้องอาบัตนะครับนนวิธีนะวิธีการถ้าน้ํามันมีตัวสัตว์เําจะทำยังไมันเกิดน้ามาไข่เนี่ย ในอะไรน่ะคู่ถังที่อยู่ในห้องน้านี้นะครับแล้วก็ไม่รู้จะไปปล่อยให้ไม่มีที่ปล่อยด้วยนะจะใช้วิธียังไงครับโดยที่จะไม่ฆ่า ม, มันให้ตายด้วยให้ในกับวิญญาณเไม่ได้ไ <c oughs> อเ น, นี่ยคือ ป, ปัญหาที่างานสัมมนาที่ว่าจ่าแดงปีของก็ถามปีหนึ่งนะครับข้าก็ถามจะทํำยังไงเนี่ยก็มีลูกน้ามีอะไรนี่นะเราไม่รอดมันก็ไม่ได้ใช่ไหม เราจะปล่อยที่ไหนก็ต้องเททิ้งเนี่ยจะทํายังไงล่ะผมก็แ น, น, นะนําให้เคขาเลี้ยงมันไม่เลยนะครับเลี้ยงมือนไม่เลยเอาไปใส่ไว้ในคูถังใบหนึ่งแล้วก็หาฝามาปิดนะอลูกน้ำมันเทรวมหมดเลยมีน้ำอยู่ด้วยนะครับแล้วฝาปิดแล้วพอเปิดฝาให้มันทุกวันทุกวันแล้วก็ไล่มันออกมาเวลามันจะไข่เป็นตัวใช่ไหมเป็นตัวยุงนั้นแล้วก็เปิดฝาแต่เปิดฝาทุกวันนะเพราะแต่ละตัวมันโตไม่เท่ากันนะครับ บังตัวจะพอเปิดฝามันเป็นตัวมันก็จะบินหนีออกไปแล้วก็ปิดฝามาันต่อมาก็เปิดอีกอย่างเนี้นะครับแล้วพี่เก่งเขาเก็้เป็นองอะไรนะหวอ้โหลงน้ำหน้ากลัวมากนะครับเขาเปรื้อมาจากไหนไม่รู้มันไปขังกันอยู่เองเลยไอ้เขาไว้ในองแล้วปิดฝาแล้วก็คอยเปิดฝาทุกวนะะ oh, ันนะครับโนอะ้ยอยู่ใอกบางทีหน้ากลัวหน้าดหน้ากลัวมากครับ ม, บมันอย่างนั้นนะปล่อยจะหมดแหละนะครับต้องใช้วิธีอย่างนั้นนะเราจะไปรดมันก็ไม่ได้ก็ต่องอนุบา ไปปล่อยก็ไม่ไ ม, ไม่มีที่ปล่อยไปปล่อยในแองที่มีปลาหาน้องยุงนี่ก็เสร็ตมันได้ไม่ได้เนี่ยใช้วิธีเลี้ยงนี้เลยครับและที่เขาบอกว่ายุงมีอายุเจ็ดวันผมว่าไม่แน่นะบางตัวเป็นลูกน้ำผมเก่งว่ามันเป็นอาทิตย์นะครับมันมียอมขอมันเป็นตัวทั้งทีนะทาไมันเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอาธิดเลยนะไอ้ตัวลูกน้ําไม่ออกมาเป็นตัวยุงทั้งทีนะครับมันไม่แน่ มันคนงจะเป็นโดยมาที่ว่าอยู่มีอายุเจ็ดวันใช่ไหมครับบางตัวมาจะมีอายุสักสิบห้าวันก็ได้นี่นะครับมาแล้วแต่ไม่แี่นครับก็แต่ครับม <ขอ S 1> ันมีกรณีอย่าง แวาเยาสามักี่เลยโยนทิ้งนเลยโยนโยนน้ํไเลยปลาออกออกรับมันก็หนีอ๋อปลามกินหมดเลยใช่มมันลงในน้ำลอยขึ้มปลาคูครับโอเคถ้าถ้ามีเจรนะจะแคาท่านเต้องอาบัตไนะครับาบัตเพราะว่า้าแต่ว่าไม่โดนข้อนี้นะข้อนี้ไม่โดนครับข้อนี้เขียนว่าว้วน้ำมีตัวสั่แล้วก็เป็นรอยยาดิน หรือว่ามีญาณเน้นเทปญนะที่จะมีคันจะไม่โดนข้อนี้นะครับแต่ว่ามันก็เป็นบาสนะถ้ามุจลนาให้มันตายให้ไม่นี่ยมนกัดด้วยอ๋อครับเขากัดเร็วไม่ชอบใช่ไหมอเลยโยนไปเลยเนี่ยไปไปหาปลาไปเลยอันนี้ก็เป็นปฏิบาตนะครับมุจลนาค่าก็จะเป็นบาดไปตีในข้อข้างหน้านะครับนี่นะสปายและกับว่านะครับ ก็าเดินเป็นอกุศนเยอะนะสับตายเยอะนี่ก็เป็นแะบวเป็นโทษเยอะเขาพอสับตายเยอะบากมากต่อไปนะครับเอและพิสุบ้าเป็นต้นก็ไม่ต้องอา บ, าาบัดสิคะวันนี้มีองค์สี่หลานี้คือหนึ่งในน้ำมีตัวสับอยู่สองรู้ว่าสับจะตายด้วยการรอดหรือทรู้นะมันไม่ใช่สักขึ้นบกขึ้นน้านะมันเป็นอยู่ในน้ำนะครับ สามน้ำก็เป็นเช่นนั้นไอ้ก็ว่าน้ำก็เป็นเช่ น, นในกรณีที่อันที่ว่าเอาหญ้าหรือว่าดินทินม้มลไ ป, ปในน้ำหมายถึงน้ำที่เป็นแอ่งน้ําน้อยทิ้งหญ้าดินไปแล้วน้ําจะแห้งหรือว่าจะตายอย่างนี้นะครับนี่แหละสี่ไม่มีจิตนาจะาฆ่าสัตว์แต่รสหญ้าเป็นต้นด้วยกรณีกินอย่างในอย่างหนึ่งเนี่ยนะตัวนี้มันมีเจตนาจะาฆ่าไหมครับื่องกินอย่างอื่นอาจจะต้นน้ำต้นไม้เป็นต้นนะ ถ้ามีเจรณ า, าจักร่าต้องอาบัติในสิกขาบทที่หนึ่งนะครับแห่งสปาร์นาล่าวว่าข้อเจรณาฆ่าสามนะครับสมุทฐานเป็นต้นเหมือนกับในอธินาชาสิกขาบทต้งแต่สิกขาบทนี้เป็นปณิตวชะใจไม่ได้เป็นอกุศลอย่างเดียวนะเป็นกุศลอกุศลอภิญญาติี็ยังได้นะครับมีจิตสามเจรณ า, าสามอะไรนะครับจบการที่มาสปาร์นาก่สิกขาบทนะ เรื่ผมเนี่ยจะถูกระไดาษทุกวันครับแล้วก็มีมดทุกวันผมจะทำยังไงเนี่ยไม่ถูก็ไม่ได้อ๋อใช้วิธีอย่างนี้นะครับเอามือข้างหนึ่งกวาดมือข้างหนึ่งถูครับผมใช้วิธีอย่างนี้เลนะมันเยอะนครับท่านี่เราปวางไปแล้วตอนแรกใช่ไหมเมื่อจะถูมันก็มาอีกครับนั่นแหละผมก็เลยใช้วิธีมือข้างหนึ่งกวาดมือข้างหนึ่งถูกวาดไปถูไปครับตอนนั้นผมไปทํากุฏิจําหาทําร่องๆทั้งหลอดพันนะมันจะมีมดเยอะถ้าเราใช้วิธีอย่างเงี้นะ เหมือนแม่แวบเรียนก็มาได้นะครับต้องกวาดไปถึงไปกวาดไปถึงไปเนี่ยต้องทําำนี้ครับอันนี้นะฉัาพูดถึงว่าเนี่ยอที่พูดของมันตะกี้นะถึงรู้ทั้งรู้ว่ามันจะตายแต่ว่าไม่มีตนาค่าก็ได้ครัถ้าเราพูดถึงตรงนี้ยนะอะการที่วิสุทธ์มีความสําคัญว่าแนะมีตัวสัตว์แม้รู้อยู่ในเบื้องต้นว่าสัตว์ทั้งหลายจากตายด้วยการใช้สอย รดน้ําเองหรือให้คนอื่นรดน้ําแม้แม้มนจากวัฏสงค์เิตนาเจีนาฆ่านะครับก็ย่อมมีได้เนี่ยต้องรู้ว่ามันจะตายตอนแรกนะแต่เวทําจริงเน่ะไม่มีเจนาฆ่าก็ได้นะครับเหมือนอย่างคนรู้อยู่ว่าสันเล็ ก, ลกมีตะกะตาแดงเป็นต้นตรงไปในปทีบจัตายนะครับอยู่ปฏิบไวเฉะนั้นแต่ไม่มีเจียนาฆ่าใช่ไหมต้องรู้แต่ ม, มีเจยนาฆ่านะครับ อันนี้ก็จิตสามน่าพิจารณาสาแลจบนะครับภูตคามรรมว่าสิขาบทที่ที่สองจบ